พระบัญญัติหนึ่งพันสีก็ภิกษุณีใดใช้ผ้าซับรดูแลไม่ยอมสละต้องอบัตปาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนนันทาจบ